บทที่19การตั้งข้อสังเกตเรื่องคนทรงแหลงพร่ำบอกการตีความพระคริสต์และบทคำสอนให้แก่วูดและเบ็ตตี้กรีนจากธรรมาสในฐานะอาร์ชบิชอปแห่งแคนทอร์เบอรีแน่นอนถ้าเขายังอยู่สิ่งที่เกิดย่อมส่งผลกระทบอย่างละเอียดอ่อนจะมีการตีพิมพ์เผยแพร่ไปอย่างกว้างขวาง มีคนอ่านด้วยวิจารณญาณและความเคารพโชคไม่ดีที่เขาไม่ได้เผยแผ่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้สารของเขากลายเป็นเสียงในความมืดผ่านกรรมวิธีที่น่าฉงนนั่นคือการสื่อสารกับวิญญาณชาวคริสต์ได้รับการสั่งสอนให้หลีกเลี่ยงกับการสื่อสารกับวิญญาณพวกออโทดอกอังกิการทั้งหลายที่จาแรงได้พวกเขายังจาได้ด้วยว่าคอสโมแรง เป็นหนึ่งในผู้ปฏิเสธความเชื่อเรื่องพวกนี้ตอนที่เขามีชีวิตอยู่ในทศวรรษที่30สังฆราชแห่งาศาสนจักรอังกฤษได้จัดตั้งคณะกรรมการอังกฤษกันขึ้นมาภายใต้การดูแลของพี่ช็อปแห่งบาร์สและเวลนั่นคือดรฟรานซิสอันเดอร์บูดคณะกรรมการนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อพิสูจน์ตัวสอบหลักฐานการปรากฏการด้านจิต2ปีให้หลัง พวกเขารายงานว่าประสบการณ์ทางจิตวิญญาณของแต่ละบุคคลก็ให้เกิดจิตอัลกล้าแข็งเกิดความเป็นไปได้ในการสื่อสารกับวิญญาณพวกเขาเสริมว่าเราคิดว่าบางทีสมมุติฐานบางกรณีในเรื่องวิญญาณที่ไม่ได้กลับไปเกิดใหม่เป็นเรื่องจริงอาร์ชบิชอปแลงไม่เคยอนุญาตให้มีการตีพิมพ์รายงานนี้ทุกวันนี้มันก็ยังเป็นความลับ แล้วเป็นไปได้หรือที่ในขณะนี้เขากำลังสื่อสารผ่านร่างทรงซึ่งเขาเคยปฏิเสธความเชื่อตอนที่เขายังเป็นอาร์ชบิชอปความคิดเห็นของเขาตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วหรือยังถ้านี่คือแรงแสดงว่าความคิดเกี่ยวกับาศาสนาของเขาเปลี่ยนไปเขายอมรับความเป็นไปได้ในการสื่อสารกับวิญญาณจุดที่ผู้นับถือวิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้อง เขาบอกบูดกับเวตี้กรีนผมกลัวผมกลัวว่ามันจะกระเทือนต่อศาสนาและอาจทำลายศาสนาลงได้ผมไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้จะเสนอความคิดในแง่ที่ดีแน่นอนตอนนี้ความคิดของผมเปลี่ยนไปผมรู้สึกเลยว่านี่คือสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรจะได้รับรู้เขายังยืนยันต่อผมรู้สึกว่ามันจะเป็นอันตรายถ้ามีคนนำความรู้นี้ไปใช้ในทางที่ผิด ถ้าคุณดำเนินการติดต่อกับวิญญาณในชั้นบรรยากาศที่สูงกว่าพลังความดีจะช่วยโลกได้บรรดาผู้ที่จะยกระดับมนุษยชาติจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่มีจิตใจมีความคิดกล้าแรงและและเมื่อมองดูแล้วเครื่องมือเหล่านี้ช่างมีน้อยเหลือเกินขณะที่พวกคุณทำได้แค่สกิดแผ่นหน้าของโลกวิญญาณซึ่ง 90% ของเครื่องมือที่พวกคุณใช้อยู่ มันยังไม่ดีพอและอาจก่อให้เกิดอันตรายได้เพราะความเหมือนสามารถส่งต่อความเหมือนและพลังในชั้นบรรยากาศที่อยู่ไกลโลกพวกที่ยังติดอยู่กับโลกสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้และด้วยเครื่องมือเหล่านี้พวกเขาสามารถสื่อสารกับคนบนโลกผ่านเรื่องราวบางอย่างซึ่งอาจจะไม่เป็นความจริงเลยฉันรู้ว่าสิ่งที่คุณทาไปนั้นมีเจตนาดีเป็นสิ่งดี เห็นได้ชัดถึงสาระสำคัญของาศาสนาในยุคต้นศาสนิกชนมาอยู่ร่วมกันบรรดาคนที่มีพลังแห่งพระองค์ฉันรู้ว่าพวกเขามีความต้องการราร้องหาความสุขใจในยามที่พวกเขาเศร้าโศกจากการสูญเสียคนรักคนใกล้ชิดเป็นธรรมดาที่พวกเขาต้องการข้อพิสูจน์และฉันรู้ดีว่าข้อพิสูจน์จะถูกส่งมาเสมอเมื่อความต้องการนั้นรวมตัวกัน จนเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่วูดกับเวตติกรีนไม่เคยได้รับคำแนะนำหรือคำเตือนเกี่ยวกับอันตรายใดๆในการติดต่อการสื่อสารกับวิญญาณกระทั่งคำแนะจากบรรดาคนทรงหรือผู้ประสบความสำเร็จในด้านนี้บนโลกรวมถึงวิญญาณของจอห์นบราวน์คนทรงส่วนพระองค์ของควีนวิกตอเรียชาวสกอตผู้ต้อยต่า วิเรียบง่ายจนราชินีผู้โศกเศร้าประทับใจในพรสวรรค์ส่วนตัวอันแสนพิเศษของเขาเขาช่วยพระองค์ติดต่อกับอัลเบิร์ตสุดที่รักได้มีการเล่าลึกในรายละเอียดเหล่านี้คุณรู้ไหมว่าวิกตอรียสนใจในเรื่องนี้มากเขาบอกค่ะเบ็ตตีก้กรีนตอบคุณเคยบอกเราแล้วจอร์นมันเป็นความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ที่จะได้ติดต่อกับเขาบราวพูด คุณคงรู้เรื่องนี้บันทึกของพระองค์และทุกสิ่งทุกอย่างถูกทำลายน่าเวทนานักเพราะพระนางเก็บบันทึกนี้ไว้อย่างดีที่จริงพระนางมีหนังสือพิเศษที่บันทึกเรื่องราวสำคัญๆของพระองค์ไว้เราทำงานนี้ร่วมกันอย่างใกล้ชิดหาเพราะตำแหน่งของพระนางพระนางเลยต้องทำกิจนี้อย่างลับๆเคยมีการชุมนุมการทรงหลายต่อหลายครั้งที่ออสบอนและที่อื่นๆ อ, อ, อีกหลายที่ ฉันเป็นคนธรรมดาเป็นพลเมืองโลกแต่มีพรสวรรค์อันยิ่งใหญ่ติดตัวและนั่นคือสิ่งที่ฉันได้มาเป็นคนทรงโชคไม่ดีเลยคนทรงอีกหลายคนมีพรสวรรค์ชั้นเลิศมีคุณสมบัติทางวิญญาณทึ่สามารถใช้ในทางดีพวกเขาเองก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนเลวแต่พวกเขาก็มีแนวโน้มในการเป็นคนที่มีความคิดด้านวัตถุนิยมและติดกับโลกแน่นอน ในการสมาคมระหว่างฉันกับพระราชินีจากการเป็นสามัญชนถูกยกขึ้นไปไว้ในตำแหน่งที่ฉันเรียกว่าผู้ถือกฎหมายบางครั้งฉันก็รุ่งโรดในอำนาจของตัวเองแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าทั้งหมดนั้นไม่สำคัญเลยหากตอนนั้นคงเพราะความเคารพรักที่พระราชนีมีต่อฉันฉันสามารถทำการติดต่ออันยิ่งใหญ่ให้พระองค์ช่วยพระองค์ในบางครั้ง การสื่อสารของเราพระองค์ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับออสิงส่งต่างๆสาคัญซึ่งสมควรทำแก่ประเทศชาติคำแนะนำความคิดมากมายที่พระราชนีมีต่อรัฐบาลในตอนนั้นเป็นสิ่งซึ่งผ่านการสื่อสารกับวิญญาณบางครั้งเมื่อพระองค์สงสัยหรือไม่แน่พระไทยในตนเองพระองค์จะทรงขอคาแนะนาแต่บางทีตอนนี้ ฉันไม่ควรพูดถึงเรื่องนั้นอีกต่อไปแล้วมีข้อจำกัดมากขึ้นเสียงหนึ่งซึ่งอ้างว่าเป็นเอมมาฮาดดิงบริเจนหนึ่งในคนทรงสำคัญยุคบุกเบิกแห่งศตวรรษที่สิบเกเธอสะท้อนเสียงวิจารณ์จากบรรดาผู้นั่งชุมนุมทรงที่ไม่เชื่อมีการสนทนาอย่างคุมเคลือท่ามกลางคนทรงและพวกจิตนิยมเธอพูดเรื่องนี้ในปี1966 มีคนทรงมากมายที่ยังเชื่อถือไม่ได้เพราะพวกเขาแค่หลับตาและสรุปเอาเองว่าตัวเองเป็นคนทรงความคุมเครือนั้นยังคงดำเนินต่อไปเรื่องมากมายอันเป็นความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณเป็นเพียงเรื่องที่กุกขึ้นมาเองในใจิตใจผู้คนนะ่ะระหายและอยากเป็นในสิ่งซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นเรากาลังทาการต่อสู้เพื่อความถูกต้องในเรื่องนี้ มีคนนับไม่ถ้วนทําการเคลื่อนไหวเรื่องของวิญญาณพวกเขาไม่ใช่คนทรงแต่คิดว่าตัวเองเป็นและจะมีคนโชคไม่ดีให้ความเชื่อถือแก่ทักษะความฉลาดของพวกเขาและการที่เขาขาดทักษะความชํานาญในการติดต่อกับโลกของวิญญาณบ่อยครั้งทําให้เราเกิดความห่วงใยเราไม่ได้ขอให้คุณยอมรับทุกอย่างที่เราบอกเป็นหลักของความเชื่อถือเราขอให้คุณใช้สามมันสํานึกของคุณ ซึ่งสำคัญกว่าจะใช้วิสามันสำนึกเราขอให้คุณรับทราบว่าเพราะความยากลำบากในธรรมชาติการสื่อสารจึงเกิดความขัดแยง้งปรากฏแกตาแล้วว่าคำวิจารณ์เหล่านี้ใช้ไม่ได้กับบูดและเบตตี้กรีนเสี่งนั้นกล่าวต่อแต่วิธีการสื่อสารนี้ก้าวหน้าขึ้นน่าเชื่อถือกว่าวิธีการคุมเครือของพวกดันทุรง เมื่อการวิเคราะห์ไม่มีความหมายอะไรและบ่อยครั้งก็ยังมีคนยึดถือความคิดนั้นคุณจงใช้ดุลยัพินิจของตัวเองใช้จิตใต้สํานึกหรืออะไรก็ได้เรากำลังมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่คุณเท่าที่เราทำได้นั่นคือการสื่อสารโดยตรงซึ่งเมื่อมองการไกลมันยิ่งใหญ่กว่าการสื่อสารประเภทใดๆในโลกของคุณ เราจะทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อช่วยคุณตลอดเวลาเราจะนำคนทุกประเภทมาให้ข้อมูลแก่คุณแต่จะมีความยุ่งยากมากอย่าคาดหวังอะไรให้มากนะักคุณจะรู้จักพวกเขาก็ต่อเมื่อได้รับการสื่อสารที่ดีเมื่อคุณบันทึกและเผยแพร่มันออกไปคุณคงมั่นใจได้ว่าคุณกําลังทำการหว่านผลอย่างดีบนพื้นฐานที่ดี แต่มันก็อาจจะล้มเหลวลงได้ถ้ามีพื้นฐานแห่งจิตใจที่ตรงข้ามกับความจริงอย่างไรก็ตามฉันยืนยันว่าวิธีการสื่อสารนี้ใช้ได้สามารถเผยแพร่ความจริงได้มากกว่ารูปแบบหรือวิธีอื่นทำไมจึงเกิดความคลุมเครือหรือความไม่แน่นอนทำไมการนั่งทรงในบางครั้งจึงน่าผิดหวัง ข้อบกพร่องของคนทรงผู้ไม่ประสบความสำเร็จถูกเปิดเผยออกมาบางข้อบกพร่องช่างน่าขำข้อบกพร่องเหล่านี้คือความน่ากังขาของเสียงที่มาให้ข้อมูลความหงุดหงิดของเจ้าของเสียงต่างๆไม่มีใครเจ็บปวดด้วยน้ำมือของคนทรงเท่ากับอัลเฟรดคิทกินจิกรนตรและนักตงแต่งชาวไบรตันที่ตกบันไดผ้ า, าทเสียชีวิตเขาพยายามหาทางสื่อสารติดต่อกับภรรยาไม้ของเขาบนโลก ผมถูกพาไปโบสถ์ทรงวิญญาณผมคิดว่าถ้าเพียงผมสามารถติดต่อกับภรรยาของตัวเองได้แน่นอนเธอไม่อยู่ที่นั่นผมคิดว่าที่ต้องถามคือพยายามดนใจเธอให้เธอไปผมจึงเริ่มไปเยี่ยมเธออีกและดนใจให้เธอไปยังโบสถ์ทรงแห่งนี้คืนนั้นผมอยู่ในโบสถ์รู้ว่าผมเป็นคนที่ตัดสินใจพาเธอมาที่นี่ เพราะผมมุ่งมั่นตั้งสมาธิกับเธอเธ อ, อยู่ทั้งวันที่จริงก็หลายวันนะเธอเข้ามาและนั่งอยู่แถวหลังคนทรงคนหนึ่งอยู่บนเวทีผมมองไปยังคนทรงแวบหนึ่งและคิดว่าโอ้พระเจ้าผมคงโชคดีคนทรงเป็นผู้หญิงผมมองดูเธอท่าทางเธอแข็งคงเก่งศักดิ์สิทธิ์ฟังเธอพูดเรื่องต่างๆแล้วก็ใช้ได้ แต่ถ้าทางเธอไม่ค่อยตื่นเต้นกับหลักฐานต่างๆนั้นดูเหมือนเธอกำลังอธิบายในรายละเอียดที่ไม่ค่อยดีนะเธอเริ่มให้ข้อมูลเก่าๆที่หลายคนเคยได้ยินได้ฟังมาผมคิดว่าผมคงต้องไปมีส่วนในเรื่องนี้เสียแล้วผมเลยต้องทำอะไรสักอย่างดังนั้นผมจึงรวบรวมสมาธิตั้งจิตไปที่คนทรงอย่างจดจอ่อในที่สุดเธอก็รับมันได้ เธอรับสารต่างๆที่ผมพยายามจะสื่อกับภรรยาเธอยังพูดถึงบันไดแน่นอนเธอเอาทุกอย่างมารวมกันหมดเธอพูดว่าฉันไม่รู้ว่าคุณจะมีโชคฉันเห็นบันไดกับคุณบันไดพาดตอนนั้นผมอยากร้องออกมาดังๆภรรยาของผมถามขึ้นมาว่ามีอะไรเกี่ยวกับบันไดพาดแน่นอนคนตรงทําทุกอย่างให้สับสน เธอบอกว่าบันไดหมายถึงว่าภรรยาผมจะก้าวขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของความสําเร็จแน่ละผมไม่ได้คิดจะบอกแบบนี้กับนางคนตรงหน้าโง่นั่นแต่หลอนตีความเอาเองผมคิดว่าผมน่าจะลองต่อไปอีกพอดีกับภรรยาผมบอกว่าเธอคิดว่าเธอเข้าใจเรื่องทั้งหมดนี้ดีสามีของเธอเสียชีวิตเพราะตกบันไดผมว่าผมน่าจะล้มเลิกได้แล้วแต่คนตรงยังพลามอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้ ผมคิดว่าขอลองอีกทีก็ได้เลยดลใจให้คนทรงพูดออกมาว่าแหวนที่เธอสวมนั่นไม่ใช่แหวนวงเดิมคราวนี้ภรรยาผมอึง้งเธอพยายามไม่ให้ผมรู้ว่าเธอทำแหวนหายเพราะกลัวผมจะไม่พอใจเธอเลยไปซื้อแหวนวงใหม่ที่คล้ายๆกันมาสวมผมรู้เรื่องนี้ตอนที่ตายและคิดว่าเรื่องนี้คงตี้ใจเธอได้เธอหน้าซีดแต่ก็พูดขึ้นมาว่าสามีของดิฉันรู้เรื่องนี้ได้ยังไง ฉันไม่เคยบอกเขาฉันปกปิดเรื่องนี้เอาไว้คราวนี้เจ้าคนทรงทำทีจัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยวางมาดก่อนบอกว่าเธอรู้ไหมนี่คือข้อพิสูจน์จากสามีของเธอบ้าไปแล้วหล่อนยังพ้ามต่อไปหล่อนสารเรื่องได้เก่งมากคืนนั้นหล่อนคงจะสนุกมากๆมีคนทรงมากมายแต่ครึ่งหนึ่งให้ข้อมูลผิดๆ พ, พลาดๆไม่มีพัฒนาและหลายคนก็แค่ใช้จินตนาการของตัวเองบางครั้ง พวกเขาได้รับสารที่ผ่านแว็บมาผมหมายความว่าเราสามารถสื่ออะไรบางอย่างผ่านสมองเขาได้แต่พวกเขาก็ทำเสียด้วยการตีความผิดๆเอลเฟรตชิกินอธิบายว่าทำไมข้อความของนักจิตนิยมถึงได้รับการเชื่อถือน้อยนะักแถมยังไม่ค่อยมีคนมาสนับสนุนในช่วงเวลาซึ่งศาสนาที่ได้รับความเชื่อถือมาเกือบ 2,000 ปีกาลังเสื่อมลง จะให้ผลที่แตกต่างหรือไม่ถ้าทุกคนในการชุมนุมคนทรงมีหลักฐานข้อพิสูจน์ชัดเจนอย่างที่วูดกับเบตตี้กรีนมีทำไมพวกเขาสามารถเก็บบทสนทนาอันมีสาระแจ่มแจ้งจากคนทรงไว้ได้ในขณะที่คนอื่นๆผู้ชุมนุมต้องทำเพื่อเอาใจคนร่วมวงอย่างที่เกิดเหตุกับนางฮิกกินส์เหตุผลหนึ่งคือพวกเขาไปหาคนทรงที่ไม่ใช่คนทรง คนพวกนั้นมีพรสวรรค์แห่งการเป็นพาหนะระหว่างโลกนี้กับโลกหน้าแล้วเอามาตีความเอาเองมีเสียงหนึ่งพูดกับบูดและเบตตี้กรีนในวันที่หนึ่งกันยายนปี1963เป็นเสียงที่ไม่ปกติไม่ยอมให้ชื่อและขอให้พวกเราเรียกเขาว่าตีแอร์ขนมากมายไปหาคนทรงเขากล่าวและคิดว่าเท่าที่พวกเขาต้องทำคือนั่งและสิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ โง่ช้ำมัดพวกเขาคิดแค่นั้นงมงายมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะบรรลุผลอันยอดเยี่ยมตั้งแต่ครั้งแรกเสียงผู้นำที่มากประสบการณ์และผู้สื่อสารที่เปี่ยมทักษะถึงต้องมาอยู่ในตำแหน่งที่สามารถดำเนินบทสนทนาได้นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมการนั่งทรงของพวกคุณถึงโดดเด่นและทำไมเมื่อคนฟังเทปของคุณแล้วพวกเขาถึงพูดว่าวิเศษมาก การสื่อสารที่ดีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ทำทรงทำการทรงเป็นประจำสม่ำเสมอด้วยเครื่องมือเดิมซึ่งเคยใช้กับคนที่มาจากพบอื่นแล้วเป็นระยะเวลานานๆช่วยให้กอ่อเกิดสภาพที่แน่นอนให้เป็นการรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวโดยสมบูรณ์มีความกลมเกลียวสั้นสะเทือนของคลื่นจิตที่สมบูรณ์แบบที่สุดคนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องนี้ แค่คิดว่าพาใครมาสักคนที่นี่ด้วยแล้วศรัทธาจากนั้นเกิดอะไรขึ้นบางทีเราพยายามช่วยคนคนนั้นอย่างยิ่งซึ่งเราก็ทำมาตั้งแต่อดีตแต่ดูเหมือนจะไม่ดีเท่าที่คุณบูดกับคุณกรีนเปิดเทปให้ฟังนั่นคือเหตุผลว่าทำไมคุณสองคนทำงานได้แตกต่างไปผมไม่ขอแนะให้คุณขยายวงจานวนคนไม่ว่าคุณจะได้รับแรงกดดันมากแค่ไหนเพราะมันอาจจะเป็นอันตรายแก่มุมมองของความสาเร็จ เราไม่ต้องการคนทรงพวกนั้นเราไม่ต้องการให้พวกเขาได้ติดต่อกับเราคุณได้รับการติดต่อบนโลกนี้ด้วยวัตถุประสงค์หนึ่งและคุณก็รู้คุณเป็นคนทรงด้วยเหตุที่คุณถูกเรียกให้มาทําหน้าที่นี้และคุณกําลังทํางานด้านนี้อยู่เพื่อคนนับพันจะได้รู้เรื่องชีวิตหลังความตายและการสื่อสารกับวิญญาณมีคนเห็นแก่ตัวมากเกินไปกระทั่งในบรรดา น, นักจิตนิยม พวกเขาห่วงแค่สิ่งที่พวกเขาจะได้รับจากกิจนี้พวกเขาไม่ได้คำนึงถึงความสิ่งทางวิญญาณนั่นคือเหตุผลที่พวกเขาถามแต่คำถามทางวัตถุกิเลสคำถามถึงสิ่งต่ตางๆอันยงใหญ่กับธุรกิจการงานและเรื่องของความรักแล้วคุณได้อะไรกว่า 70% ของพวกกิเลสหนาะจะมุ่งมาหาคนทรงเฝ้ารอว่าจะมีใครบอกอะไรพวกเขาได้ มีเหตุผลว่าทำไมการเคลื่อนไหวในเรื่องการศึกษาวิญญาณจึงไม่แพร่หลายไปทั่วโลกและเปลี่ยนแปลงอะไรๆในชีวิตคุณผมบอกคุณได้ว่านั่นเป็นเพราะพวกจิตนิยมมีศาสนาต่างๆมากมายบนโลกมีความสับสนมากมายความคิดขัดแย้งมากมายแต่มีความจริงเพียงประการเดียวและเป็นความจริงของชีวิตนิรัน์นั่นคือคนตายยังคงอยู่ เราสำนึกบุญคุณพวกคุณมากเพราะคุณมีจิตใจที่ใสสะอาดน้อยนักที่จะมีคนรู้จริงอย่างนี้จิตใจของพวกคุณเป็นอิสระเปิดกว้างที่จะรับไม่มีอคติไม่มีเครื่องกีดขวางซึ่งเราจะพบได้ในคนทรงอื่นๆจำนวนมากที่ต้องการถูกบัดความจริงเท่ากับเรื่องของความผิดปกติธรรมดาในศาสนาของพวกเขาพวกเขาจะทำแค่ลดระดับความจริงให้มาอยู่ในเรื่องที่ความสามารถทางความเข้าใจของเขาจะรับได้ ปรับได้และชื่นชมได้แต่ก็ต้องอยู่ในขอบเขตของศาสนาหรือความเชื่อหรือหลักเกณฑ์ที่ไร้ข้อพิสูจน์ของพวกเขาเราไม่มีกฎหรือหลักเกณฑ์ที่ไม่มีข้อพิสูจน์เราไม่มีศาสนาในรูปแบบของคุณเรามีอิสระในการแสดงออกอิสระทางความคิดและอิสระของวิญญาณซึ่งอยู่เหนือขอบเขตของมนุษย์ ผู้มีความคับแคบในจิตผสมผสานกับความโง่หรืออวิชชาเรามีอิสระที่จะพูดความจริงและเพราะสิ่งนี้เราจรึงยินดีที่จะมาและสื่อสารกับคุณคุณช่างเป็นเพื่อนที่แสนดีและกรุณาคุณทำในสิ่งที่คุณทำได้ด้วยจิตใจที่ดีเปิดกว้างและนั่นคือสิ่งที่คุณได้รับในทางกลับกันคุณทาหน้าที่ให้แก่ผู้ที่ค้นหาได้ เขาพูดถูกดูเหมือนการบันทึกเทปของหูดกับเวสตี้กรีนอาจเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้มากที่สุดในโลกที่ช่วยในการยืนยันว่ามีชีวิตอยู่อีกพบหนึง่งและเป็นข้อพิสูจน์ที่ให้รายละเอียดมากที่สุด